ลูกข้องเทาดยู่ขอบครืวเป็นลูกใหัวขอ้องเท่าข้ามทินดน้อยเท่าก็ว่าบ้าอหญ่บดิบบวดีบวนี่หนาน้านี่มีชาความหื้อตลาดเนเลี้ยวเพื่เขาเป็นลูกผู้อื่นเขาติดทิดไปย่างเลเข้าปลอยได้ว่างได้นี่ผู้บาอาจารย์เพนหายเพนดาเพนวาเพนกาวยางนั่นผู้ที่แลดูนอกได้ยางนี่แต่ว่ไปพ้นไปวันนี้หายทีที ข้าคนชี้ว่เป็นหลักค่ะคนเอากรเลยได้ขอมูลข้อมลารจากผู้บาอาจารย์คือค่ะผูแส่งหาผูบาอาจารย์าไปยานคนหายคนด่าอย่าที่เดียกันค่ะคเสือี้ชีมาแนวคงเสมันตกมันเสียงว่ได้ยึ้ใจดีเพื่ที่หายป็นได้ด่าเปนได้ยาเพื่อเป็นเหลื่ยของคนคนเหลี่อมของเข้าถือวรจะเพื่อปฏิบัติตามโอวัตตองคนย่างเลยเพื่อปฏิบัติไป ถึยภาไใน่ายภาพระเจ้าไฟสงเต ร, รอนมไฟภาระวาดยาโยมดันตนผนใจในบุญไมกุศลพระพุทธเจ้าสอนไว้วิเจยยาท่านั่งลาตบางังยาสายที่นั่งนะครับพลัง่งให้เลือกพัดยัดหายาสีข้ามไปตามสัญญาอารมณ์ยาสีข้ามไปตามที่เรียัหาก็มักงา่ายภายใจการหาบุญหากุศล หข่ขนใจ่ไหพี่แจ๊หน้าไข่ควน่นแน่นอนกินจังใน้กินใดใจก็ก่อนจนคอยทำลงไปเช่นว่าไห่เลือกไห่เป่นบัเดีว่าไข่ชุมชี้ชุ้มไข่แต่เฮ้าสมัยใสจชุบัตรสุวันณนี่นักศาสต์อาจารย์แดงฟามถึงมากวาไห่ท่านเลือกนาเลือก้าเขาเป็นบุญจนตุ๋กนก็สุราอรอ ว่าสมัครเนื้อาเลือดหนา เ, าาเลือดตาถธาเจ้าพระสงฆ์อุตส่าหทานี่ใจธานใดข้าหนันเป็นบุญทืนน่สุเฉลิข้างนัี่คือคนนงมาสอนแต่พระพุทธเจ้าบุเรศสอนยนานัเพิาว่าให้เลือกให่ความจริงการเลียกเรียนเป็นจั้กันมันเป็นข้องธรรมดาของภูมิปัญญาภูมิปัญญาเห็ุเอียงสองเลือดพัดยักหาส่าน์ี่ บริเวณเหตุไปชุ่มที่ชุ่มกูเช็ดท้ายเ็ดหน้าเกเดตัวเบิ้งสถานที่ดินมันเป็นยางด่าวนสี่เด็กลนไหลําไร้ได้จิขาดทุ้นยางด่ายบราเวณที่เหตุไปแยบรับตาหอกหน้าพอดีเขาตัวเบิ้งากไปเหตุเช็ดเกิดเมื่อไหร่ฝนไหลเมื่ไหร่ฝนเชื่อได้แต่นี่มาดินบนแผนมันโมเป็นมีปุ๋นมีปุ๋ยอันใดเช็ดลงไปแบบเสีย ขืดขั้นลุเสียเรียล่าเดียเยวแรงของตัวหนีูเหตุนหน้าเหตุยานผู้ข้าผู้ขายเพื่อกันมเมื่อนจิปูตึกบ้านล่านซ่องคุณขา้าขายขั่วไฟในสถานที่ได้บ่มีสายตาช้นคนผูกผ่านผีได้ขายให้ผู้ใดแม้จะขายผูไใดเท่ากันพวหนักขา่ายจะงเป็นสาง่งบานแบงเที่ยนในสถานผีตุ้งเงินดังในเมืองในหน้า ท่ได้เหมาะดีเท่าใดที่แห้งแหงเสนเท่ า, า, น, น, า, ทานั้นแต่เพราะาาว่ามันเหมาะมันขาดได้ขายดีนี่อะไดก็ได้ขายพวกคนไบมาหาซูตรชวนภูเข้าหมุนเข้าขุดฝนหาผลหาประโยชน์ภายในพระพุทธเจ้าก็สอนไหวละเบียดขาดจัดหาอย่างหนึ่งโบ่้ำกันซุงมีซุ่ซมหาละเลือกหาเจาน่าแน่นอนสีเป็นเนืาหน้าบุญค้องเข้าได้ยูย่างได้พอค้องเข้าได้มากเข้ามีอิสระ เขามีกรรมสิทธิ์การใดมากบอกว่าสิา่งของเงินท่องอย่างใดเขาด้าใดมากโดยความลําบากยากเหยียบเพม่นได้มากย่างง่ายดายไปขาด ไ, ไ, ไ, ไปสายเรื่ยไปเหยีดไปต่างปวดสีใดมากลำบากยากเหยียบจริงจังใดมากเล้วเขา้ามีกรรมสิทธิ์ที่รักษาสมบัติของเข้าได้มีโคตหมายไปเทียดใดบังคับว่าบ่หายท่านบ่ได้ต้องหาท่านามี กฎหมายบังคับอย่างเนะ่ะก็ อ, อยากแห่ข้านก็นได้เขาที่เจ็บไว้เออวกือบริมหกอยู่จริ ข, ขก็เข้าก็ได้ตามความปรารถนาของใจแต่ผูไปแห่ข้าน์หวงังผลหวงังกําไรหวงังบุญบวงังสุขผลมเม่อไปแห่ข้าน์ย่างเร็วเร็วมืงหวังอยากจแต่ผลอยากแต่ได้กําไรอยากแต่บุญไปไหนะนให้ขากน่ะยังไหนแห่ข้านลงไปเมื่อให้ท่านลงไปให้เลือกฮะ ขาเจ้าพระสงให่เรกหาแถานที่ดีควรจต่ถ้ำบำเทียนภูมิหมีตานย ต, ติจิตปญัญญาแต่เลือกหาเพราะถ้าทุางที่ต้หหมห่างเกิดทําในสต่านที่ดีดอกผลกำไรที่เกิดขึ้นจากการใส่ของเขา้ามันจะมากไม่าตายของที่กันก็ปวกที่เขาเจ็บหน้าเนี่ยแล้เขาปนูนหน่อยก่อตา่างฐาที่ยินมันดีผลมันเกิดขึ้นมากไม่ตายของพระเจ้าพระสง์ ขีบบวชในศาสนามันมีมากมายใจของขึนน้นเต็มอยูเป็นผ้าขึืนกั น, น, กนแต่มันมีคานี่ล่ะค่าต่างกันขี่ดินขื้นกันแต่มันถห็นี่ราคาต่างกันขีดินในเมืองในหน้าราคาอย่างหนึ่งขีดินในฟ้าในเขามีราคาอย่างหนึ่งบางแห่งบางผลบน่มีผู้ใดไปจับไปจองเอาเลยเข้าไปยูอเอาหลอดกระต่ายผู้ใดขี้เสียใจแตกต่างแต่สม บ, บนี้์ผู้ใดต่างบานต่างที่อันต่าง วันอยู่วันเศร้าเพราะที่ดินบนแผ่นเรามีผ <gagner> <blue> ู้ส่นใจเพราะตะยู่หลือตะไลฝนแดดไหลกําไลบ่ได้จะรัประโยชน์มีแสงแดดให้เจ้าพระสงฆ์ร้ายแผ่นร้ายองค์ร้ายพักร้ายพวกนี่มากไหมตายของผู้มีปัญญาแต่กันหาแสวงหาทําบุญทําผู้ส่นในสถานที่เขาที่เทลหน้าแน่นอนแล้วไม่กระดัผลไแดดกำไร ไปบุญเด็ดดีควรากแม่ ก, กายของตางสันยางน่ะเป็นอย่างครับผู้ชเจ่าเป็นสอดของหยกักของโยกทีน้ีแย่สามเพราะพราะผู้ชเจ่าเพิ่งเคยสัางบุญบาลี่มีมากแต่ในทะางทีนี้เป็นโตรสตอยู่เพิ่งสั่งมาแล้วท่านในสถานที่ยางไหเด็ดบในกำไางไหนเพิ่ง เ, เคยตาวไว้เป็นหน้าจะลดสังเวชเป็นหน้าทีนีทีแก่หน้าในพุทธ แต่ท่ามบุญท่ามผูชนซอไฝ่กาวชึงเหล่ยงเรล่ามาท่ามพระพุทธเจ้าของข้าเป็นเกิดเป็นท่ามหาศาลคือเว่ล่ามาท่ามต้มบุญพุ่นจุกโดยชาติท้อมบตดมากไม่กายก่อบวอสยากยากจนอันใดแต่เพื่อนายบ่ยินดีเหลิมใสอยากออกไปประชิดเข้ามาจัดอยากออกบวชเอาง่ายๆทักษาของข้าไว้อยู่คาราวาดต้มบุญพุ่นจุกเกิดกินต่างๆมาก ความสุกสนุกสนาในจริงเราหนีเต็มบูนแล้วพ่อแล้วเราอยากปรพคิดเข้ามาจัดอยากออกบวชเรื่อสั่งบาลานีทั้ทงศีลทั้งภาวนาต่อไปเพราะเพิ่บน้อนใจในใการสั่งคุณงานความดีโพธิสัตว์ผูรื่อตัวอย่างนะแต่เลยสรละสมบัติธาตุ ฐ, ฐานสี่นีอยู่ก้าไว้แม้ทางเป็นเวลามาท้านท้านมากกเป็นเทท่านจริงละ แปดหมื todos, os, ่นท like ีพันดัตสร้างแบดหมือนปีพันตัวง่วงสูงสุดปรลาดง่วงธรรมดาค่ายอันใดภูกย่างหาใสใม่้อยเงอนท่องมาเกล้าอัศจรรย์สีวาเสนียหลายมั่งคั่งหลายร้ามากต้อยเงินช่องในประเทศหนึ่งหนออาจจิบุทอ์สมบัติของคนในสมัยนั้นมาเกล้าไหวทุกหาทองคำ แปดหมื่นป th kh ีท่านไหวขาดเจริญไลุกได้แต่ที่มอบมของตามขอบขาดได้เกี่ยนลอกได้จะเอาส้มบัตรเงืนทองใส่เต็นตั้งแปดหมื่นีท่านหท่านท่านจรมดสมบัตรของฝนนีมากที่ด้หน้าแล้วสมบัตรในประเทศหนึ่งหนึ่งอาหารีมัดเทียกับส้มบัตรของเวลาเรา้ามสมัยนั้นอาจียเ่าเทียมเพะ ท้องค้ำาคงสีบลมมีขนาด น, นั่นแปดมือนที่ผ่นานใบดึกแต่ละใบเรื่องใด็ดที่กสองคมเล็กลของของขาเราพอปากแก้เขียนรอบได้เดนเป็นผ่าท่องค้ำทั้งนั้นแล้วก็เอาแก้วแวน้นเงื่อนท้องไฟเต็มหายท่านเหตุการณ์ห้ท่านสมัยนั้นพระพุทธเจ้าเก่า ไ, ว, ไว้ว่าเล่าสั่งบาลมีสมัยนั่นโดยที่ขาด ภูรัต ท, ท่านผี่เพ่มบุญเหมืนด้วยเหําอให้ท่านมากมายกายฟองขนาดนั้นเท่ากันกรับให้เขาก่อนนึงแก่พระโสดาบันอันยโสนี่ น, น้อยสี่รุษส่วนผู้ที่ให้เขาก่อนหนึ่งแก่พระโสดาบันเชื่งแค่นั้นในอันยโสเท่ากันจะเล่าให้ท่านสม่ไหมมาาีเไหนวัตจัดถ้าศิษิ์เราดิเจยาท่านั่งด่านสบายเพื่อให้เรื่องถ้าก่อนจะให้ท่าน แค่สิ่งท่านคุ้คมชีส้มหาให้ท่านไปดึกข้ า, า, ม, า, ามบ่มีแต่ที่ปัญญาให้ท่านไปดวยทางจำตาลายมกมันเสียมันหายต้มวัดพระจัารพรรดเตาเข้าวัวควรดีท่านยางน่ะใช่ไหมนี่คูบาอาจารย์คุณแนะนำทนตอนลาย่านธ์ลายองค์หัวมืตาเัามืแต่ทีปัญญาหัวมือให้เดือดพระจ้หาหาต้มวัดพระจักรพิเทาใหญ่หมาก จีนแม่ขั่นจสีได้ผลได้กาไรเงาสูงสุดพะเข้าขา้งถูกได้แต้านสีถูกกู้รับเป็นผู้สีสมบูรณ์จีนแม่ยท่นมันไห้อานิสงมาสำรับเข้าเกิดไปได้พวกไดขาดได้เดออนาฏสีตางไหในข้างดีก็ได้ห่าในสถานทีดีขัสีมีผลมีกาไรเป็นบริวสนจากภบจากขาเป็นพระอรหันต์อรหันต์เยี่ยนไหวตายเกิด family, อี่นโลกต่อไปเาที่นี่ครอบชุกกายุกใจเพราะผลขั้นแย่กางไหลเสียด้วยไว้ไข้ไข่เกิดเป็นคนกต่ว่ามีโลกไข่ไข่เปกเิดเป็นคนแ็่วมูลเกิดรูกฟ้อมบัสเกิดชดงดามเบงอันใดกับหาเหนแงแต่ที่ปัญญาที่าก็คือ่วามีเงิคล่องฟองใสีข้อต่างไปจะเกิดขึ้น นึกคิดอะไรไหมากนึคิดทุกข้านบ๊ทโบจนเพราะบุญดีฝนตือต่างฝ่ายให้คนเข้าต่างไฟโบ๊ทอกนั่นก็พได้แล้วได้ก็ได้ี่้นดินหน่อยหน่อ้ามขนาดนั้นเนียเ่ยงให้เขาก่อนนึงแย่งพระโคดบาทการให้ท่างก็เข้าทุกนกนเคยเลยให้ทานมากตามกาลังกัดขาของเข้าแ่กแบบโคตรดีวะถือพระพุทธเจ้าสั่งไหมใช่ไหมน้นแจกเข้า เงินไหท่านเล็กหน่อยเล็กนิดหน่อยกว่าต่า ง, งห่อยท่านในสถานที่ดีไม่จะมีคลประจากชาติดเจนแต่ผลเด็กําลรหมากไม้กายก่อ 5, 5, 5คู้แสวงหาบุญห้ากุศลข้าเราว่าทนิจเจรนะิหน้าเพราะการท่ามไปโดยภาดสติปัญญาหาด ก, นะการทีนีิจเจริหน้าการไห่ท่านอาจเป็นเรื่อท่าลายข า, า, านะดาณะใอยางหนึ่ง เป็นยังไงว่าการไทยท่านท้ามราชศาสนาได้เข้ามาพิจหน้าคันแบบนี้คื่อพระเจ้าพระสงฆ์พู้สืบ อ, อายุพระพุทธศาสนาะผู้เป็นศาสนาท่า ย, ยากนักบวชเพราะว่าพระเจ้าพระสงฆ์หรือพวกแม่เท้าวแม่ที่หรือพวกใดๆตัดวดีที่เป็นนักบวชอาศัยที่ิตอยู่จิตนุ่งพรมกลบผู้คนผูอือ่นเรียกว่านักบวช นักบวชประเทศนี่มาคู่แข่งข้านบมีเศรษฐัญญาข้ามไปสุ่มสี่สุ่มอาจเป็นเรื่องต้นศาสนาท้ามลายศาสนาท้าให้ภูมิอินชื้นปฏิตัวยางไปแเลยเสียหายไปถ้าหากนักบวชบ่ตั้งอกตั้งใจบ่ตั้งหนาต่างตาประพฤตปฏิบัติตางข้าในในมดีหน่าีจิตใจ ตัวสาร่ามีการแต่ถ้ำความเช่นนอกรูนอกถ้าจากไปถ้ำดินัยเข้าเห็นเขาแจฮะเหตุของพวกนั้นมีการเป็นนักบวชอการนีแพ้เพราโลกมีการนุ่งคมของนักบวชแจฮะจิตใจของเขาด้วยการแระทําของเขาเราน่ะมันบอกปูกถ้ำถูกดนในไม่งามผืนงามตาเพราะถูกตามตาล่าของสาระ เอาไปส่งเสริมหข้านใะพวกเรานั่พวกเรานั่นไดกนินไดอยูสะดวกสบายจะได้บมีความเลือดึในการสิ่ปฏิบัติท่นน า, านไ้ให้ต์อจังไลยไอจังไลก็เขาก็ให้ข้ า, ข น, า, า, ขาขนี่เดาะเพื่อเฉยใสอยู่ได้บอมีความระลึกนึกเห็นตาตัวหน้าบวชบอนเพิ่งกลวงอค่ำวรจะบวชืกายว่าจะใจของตัวยางไหลก็สิเป็น ไตเสือมบุญเสอมผชิแกเส่ อ, อ, เ อ, เอมเป็ทเป็นพิโมกขอนแกฟูบมาข้ามบุญกับสั ว, บวนไ่ลยหนึ่งได้ข้ามไปตามที่เดือดแนหาตามพ้มางายต้องสัวน่อเมื่อเป็นย่างนั้นนักบวชพวกนั่นมากม า, ายกองเขาผู้บวชที่บมุ่งหน้ามุ่งตาแสงหามาผลก็ไดบวชย่างง่ายย่างนั้นแกแต่าเชิญนได้เรื่องวัตถุวิญญาณแกน้นาก็ไปบกกบรงรักษาให้เสมอ เชียงไล่เชียงบารันครับผู้บาอาจารย์ผู้คนปรเทศดีไปทีบัติสอ บ, ส น, บ น, น่าจะได้เสียไปอนี้จป็นวนมาสิดไเลยทำลายฝ่ายทีดาวะผู้ปเพเ่ศดีไปทิบัตรสอบไปข้อพันกันครับเอ า, เ อ, าเอาวุธให้โจทย์คนศาสนาบ่าเป็นข้างสีลธรรมศาสนาห่งจะเริ่มดึเรื่องนการให้ข้านเป็นอย่างคนดีบอกแม่เป็นรื่อง ทศาสนาเรื่องทำลายศาสนาเป็นแบบน่งหาะมระ่าชนทุกคนี่คดีกันยามีหมูมีตาเขาบอกชุดพดีเด็กาลาล่านท่านทำวีไงเคไปตามเรื่องชิลเลกันหาเลาโมคุนบูชาเราโมขุนตาบ้พวกนั้นยู่ว่ได้หากแล้วท่านยางนีก็บวได้อย่างเลยทีนแล้วท่านยาหนีกับ่ัวแดงนุ่งเหมือนผมจาเป็นจำใไปในกรพิสูปฏิบัต หายดีหายเด่น้นแดสหน้าตาไมาหวาจริงๆนะไขข้ า, า, างข้ามหมุนข้ามหมุนแก่สุดนี่ผููที่อยู่ในศาสนามีแล้วลุกได้เพราะเ อ, อ่ดัดพอเขา่าบ่เขอาไปใก่ไปตาไปหวานไม่เสี ย, ย, ย, ยลออยุกได้ตลึกั๊บสายกับไใ่คือทรัวสาล่าบ่เป็นต้นหีสุดหรือคู่วยังนั่นว่า y o u ทุก e youtube ยาลบากผมียู่คุยต้นใจ y o u t u ปหอย่างคึกหาราพ้นองห จะได้พอเป็นเกียรตินะศาสนาต้องใส่ถ้าหกย่างน่ผู้สนใจเชียงบาเชียงไรกันอยู่พูกใส่ที่ัดสียางไหผู้ใส่ที่วัดตัวยางไหนก็ยังสนใจเสมอกั่เป็นเหยื่อผู้บำรุงรักษาคนมูรวมใจกับงโฉนท์ทัศาสนาทั้งศาสนาเียือเสียดที่เราละมันเราว่างเรารักษาเหยื่อเราหันคคว่ที่ มีโอกาสถ้าเขามีคิดมีอำนาจในกมบัติของเ่าบอกเปนเท่าเด็ไปดึไปดู่จากบุคคลผู้ใดมาขํามบ่มีกฎหมายขอใดบังคับบัญ้าเขาจะมีโอกาสเวียล่าเดี๋ยวหาการคุ้มค่องดีจะได้ข้ามในฐานืูใดข้ากฎหมายแบ่งแยกบ่กก้าบ่ห้ามก่บ่เปการรับไหมในการข้ามดีเขาจะมีคิดในี่มีสารสุรา่าแนะนำขัดสอน อย่างอวัยอย่างท่ามในานที่่อใจใส่หมดินนคมีาจะไปเ็นูจะไปงเเา เกิดติดแย่เข้าในเข้าไปจชาดเดดเมื่อเข้าไปจับชาิเดือดเค่องละห้องขอนมีอิเชืสิทเชืของเชืเป็นผิเป็ยาิแย่ใจกันเข้าไปทีนี้ก้อแยกเหวินในใจของเข้าเขาสีให้ไม่เห้ต่อตามเขาเขาสีทัาเหนเร่อ้าพอากาศเขาโดยอำนาจทีใจของโข้าถงเต็มตบบนี้นั่นเชื่ไม่จับยๆให้ติดสนใจมาสนใจมาเจอปัญหาเท่านั ขเข่าเป็นข้อดีข้อเด่นแตจากที่ในเข่าอยู่เนี่ยเข่าไปเลยมีข้อยุบกัดยังม่ขเขาไม่หาไม่ข้อเดียมาใกล้แส่ตานใจย่างเลยนั่นชุกนิดกิานทุกเวยละใจจะกองเข่าเ่าเป็นผูรักษาเข่าเป็นผู้ไปช่วัดเปนไปจากในสัวของตัวเป็นสันสุขจุโละได้ขนาดได้พุ่ใจเบาสบายขนาด แนวอยู่ยังแต่แรกบอตื่นย่อมปากเขาข้นเขาติดติดเนเ่อนข้าเขาแฝงเข้าแตเป็นเส้นยึคน้นู่เข้าจากนติดเขาเขาวันติดเข้าเาเป็นยางหนึ่งยางนึงก็เสียหายไปตามท่านิเงื่นข้าเาเข้าเป็นเขปากเขาแฝเข้าบอลเลยเสียหายไปไปหัตั้งขั้นเนี่ยเทากันแล้วเกนเลอเนยกไหลลาไปติดดียาง่ แดั๊ดูยังนี่ยเายาเหาเหินเรื่มตัวจิตใจของเข่าผูกเหล่าเรื่องเนี่ยค้งคอยติดการเฉินเน่ายอ่ว้านิูกเชื่อต่อถ้าเราดแต่พี่ดั๊ดใหนนันดูเดเสจะเป็นเนือหน้าบนท้องเข่าจะเป็นตีดตรดตัวท้องเขาเรื่องิตใจทองเข่ายุดร่อยเป็นไปจากตีเด็ดตั้ง้าเนื้อใดเมื่อหน่าใจตีโค้งตบนมีอานกตเทียมไปตา กันยาอารมอันใดว็มีต่างคิดขอทั้งคุกทั้งคิดอางใดไปจากขาดเน็บไม่ใจของคูยกับเพื่อนก็ดีดาเห็นด่าทําะไรทำทางสอนความบูรพเจ้าสอนใหญ่นิ้วคิดหมดกิ้คิอคิดร่อยนี่เกิดความต้างขั้นโมเมนว์นไหนที่แบบดีเลียนเป็นขั้นหนึ่งตัวหนึ่งก็คือไปอีก ทีงดงปัดงใดเด่ึ้นไปหนุนีก็้ใจสีเด่นบอกนี่รันี้ขึ้นสีเทียมสลายเวลาสีมาั้นลายหลังใจแลตาไหลมองใหญดใจทักีทํา่างหดเขตอำเภอนาแกวันนั้นนึอยากจะไปเที่ยวดูวัด สันจันสนสันไปอยู่ภูสวนจากนั่งจึงไปก่อนในลารักลาสก่อนเส้นเป็นภูเขายิงเขาว่ า, าอยู่นาอาศัยแล้วก็อยากจะไปสันจำพรรษาอยู่นั้นนานแล้วดูมันเคยอยู่มาแต่ก่อนสันจนมันจะเหมือนมรณะภาพอยู่นั้นอยู่องค์เดียว วันนั้นเผอเอิญทันลงมาบุกชีอยู่นั่นก็ลงมาไปเจอทันจี่กลางทางมะท่านก็บอกว่าจะไปแล้วก็จะเข้ากติให้เขาทางน้นท้งนี้คือมันมีที่เข้าถ้าหากท่านไม่บอกก็หาที่เข้าไม่ได้ทำมันอยู่สูงไปพอไปถึงก็ เสียงจีวรออกเขาถ่าหอจีวรหอย่างแล้วก็นัดเอวขึ้นขึ้นบันไดบันไดมันสี่สิบสีิเอ็ดขั้นแต่มันชันสูงขึ้นยากขึ้นไปก็ไปพักเล่นอยู่นั้นพอุกคนขาล้มขาล้ม มันมเหมือนขาขึ้นเน่ะมันกลัวยากกับไอ้พาจีวรอาอ่าโยนลงมาก่อนลงมาเจ็ดตัวเห็นกันสมจิตได้มรณะาพอยู่ที่อำเภอแม่ทะลำปางฉันลงไปก่อนลงไปพอไปถึงบันไดขันไ ด, กกดเกาะกอดก็กลัวตกมันลงไปจนครึ่งอ่ะจารทั้งคนลงตามหลังไปตัวเลย เลยถันลงไปนะคือไปถึงพื้นก่อนทันเราไม่เคยผูดชายทีแค่นะไม่ใจ่ผููหญิงแล้วพวกผููหญิงพวกชีอยู่นั้นก็หาบน้ำขึ้นสบายแต่เราผููชายขึ้นต่างหลายนาทีกว่าจะไปถึงลงม้นกันอ้จากเขาไปเห็นเขาหัวล้อใหญ่อะมันไม่เคยขึ้นลำบากสูง ทำอยู่สูงแต่เป็นทำต่ำคือทำ ท, ที่มันอยู่สูงแต่ทำมันเออมันอับๆมันไม่สูงมันไม่เปิดเท่าไหรค่คือพื้นของทำกับตัวทำมันเราสักบางแห่งก็สามสีนิดบางแห่งกัสอง เน็เตเสิ็จเราพเลยชี้สะไปนิ่น่นหน่อ ย, อยแต่มันอยู่สูงแต่มันทันเหมือนต่ำตมันอยู่ติดกับยอดเขาได้เปนยากลงยากเธอเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้อยู่ก็าไล่ฉันลงมาหลายปีแล้วพวกก่อการไปอยู่นั้นหาเจได้ต่างเอาไว้กง หาทา ง, ทางรัฐบาลสักก่งก็คงจะหมดลายล้านเหมือนกันถ้าะ่นสั่งดีเป็นที่พักที่อาศัยไม่ก็ร้วนแต่ไม่ตปเขียนทั้งนั้นมาทำมาทำที่แั่นั้นก็พวกดีโอนั้นปลูกไอ้พวกกล้วยมะพร้ปปาว ม น, นาวสม้มหลายอย่างเป็นสวนใหญ่โตอยู่นั้นเรื่องยินทะบายไม่ได้ระยะทางมันหา่างไกลดูมันจกักนั่นมาถึงหมู่บ้านมันสองรอกว่าเซนขึ้นเขาลงเขาแล้วก็อาศัยพวกชีอยู่นั่นเนี่ยท่านก็อยู่องค์เดียวพวกชีเขาก็หงหาอาหารไปถวายท่านดูมันเปิน ท่านจะอยู่แบบสะดวกสบายบินทว่าต้องไปดีบินทว่าแล้วก็น้ําก็ะส่วนนั้นก็หาขึ้นไปให้โอ่ไปอ่านให้ท่านสงคงจะบางวันก็คงจะได้ลงจากท่านเราไปเห็นเขาจะไปนั่นแหละครับอย่างว่าลงได้ทีขึ้นไปทีหนึ่งวันหนึ่งเหนื่อย เป็นยากมันส <c ười> ูงสูงมากแต่ไใ่สูงแบบคู่ทอดผู้ทอมันมีจะพานขึ้นอต่นั้นมันบันไดบันไดกว้างใน่แล้วสักเม็ดเศษแต่มันก็หนากลัวแตากันในสูงมันก็เออสะดวกสบายขนาดนั้นเห็นเห็นสูงก็ไดเสียว พอสอนอะไรหขกอุดรโขกหมูบันขามโวกนี้ก็ไปทอดปาเขามารับไปแต่ว่าทันการจวนไปบุงต้นคือมีคนมานิมนต์ให้ไปมาหลายครั้งหลายหนแต่ถึงวันมาจริงจังเขาขอเลยมารับก็ได้ไม่ได้ไปสักทีตอนนั้นมันยังเรียกอยู่ คนนี้มาถ่อยสนใจไปเที่ยวเหมือนเหมือนสมัยนี้ไปกันหลายสันรถทางอุดร ต, ต่างหมู่บ้านต่างๆไปเนนมันก็นำเกี่ยวคงจะนัดเนี้ยเอาไว้พาเรามันจะแ่ไหนคงจะคิดแบบนั้นแนตะ่นเชิญชวนคง ว, งวางแผนวางแผนให้เนนนำเกี่ยว พอไปถึงเหี่วที่ลึกๆมันก็ยืนดันเราอยู่นั่นแหละจะให้เรากลัวเฮ้ยใครเรีกมาวางแขนแบบนี้ยังหลอกไปหลอกมาตอนหลังเกิดกลับลงมาทักทางลาดคนไปมากตอนเช้าวพวกมันงรไฟพวกหมู่บา้านขามเหนีไ่ไปไปเที่ยว ผู้หญิงผชายหลายคนก็ยังไม่ได้ขึ้นเสียวไปก็คุยกันไปเดินเร่ไปอ่ะไม่ได้ดูหน้าดูหลังอะไรพอเดินไปไกลพอสมควรมขึ้นข่อยมองดูเหีียวสะพาน <c oughs> ก็มองดูมันเสียวขาอ่อนร้องไห้จะกลับก็กลับไม่ได้จะไปข้างหน้าก็ไปไม่ไหว ตของอาศัยคนอื่นพยุงไปอขายหน้าลงตานี่ยคือเพราะใจมันเสียวมันอ่อนแล้วก็ทามันก็อ่อนไปด้วยเราเดินรวยใจนี่คิดอย่างนั้นมันคือว่าไปทำไมได้ มันป่อร้ายเสียงกว่างสะพานกว่างเขาต้องควรอยู่เทียวหอ่อไหมหมดปีกลายทีซืนนี้จะฉิดงท่านา็ก็มารับไปของคุณสุิพันธ์เที่ยวเียวอบพคนมันมากขึ้นไปไปเยอะวก็ลงมา